หนมัางวิเดศอย่างที่เราท่านเห็นมันหนูมัดคุางี่เด็กี้างเนี่ยทําทำเป็นบ้องเยอะมากเพราะว่ามันจะเพินไปผะ้ใจทางมัที่มะเนี่ยวิเดศมันเอาเดืองผู้ใจมาใส่ไปแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วแล้วมันขึ้นปีนบนหัวค้นบนหัวใจค้นแล้วบนหัวบนหัวเลยคว่าธรรมะนั่นเป็นของกลางก็จริง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 บ ร, รมาญาติอันเหมาะสมดีงานนั้นเป็นเป็ น, ปนไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเฉพาะอย่าองอยิ่งอย่างท่านอาจารย์ม<อ>ั่นท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยจยางเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่า น, นิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานที่เละหรือปราบปรามที่เละท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ ถึงการที่จะมาสอนมูขจิตองหาที่ไปฏึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิบัติด้วยกันบนล้วนท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่มนารุสิทธิ์ที่ไปรวมปรึกษาเวลาท่านแยกแยะไปทําคนหมู่มากในประชานที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น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 จิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกฆ่าสิทกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกบกดขี่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือ่อะไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะชิงยังไงต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมนา์านี่จิตใจที่ถูก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 มันครึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ใครก็ตายเต็มตัวหวังความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มูมก็มาช่วยกันไม่ได้ในะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจก็ต้องพยายามติดเลยตั้งแต่หมัน่นี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปรรัญญาเท่าเทียมกับคุณมยากุิเลสที่มาสดแสดงอยู่ในขณะนั้นๆ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 รู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายพยานการเวลาเดี๋ยว ต, ตะคุปเงาไม่ตะคุปเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ไปคุปอะไรทั้งตัวก็ไม่แต่คุปทั้งเงาก็ไม่แต่คุปดูส ม, ยมัยที่ีว่ารู้รอบมเหนือนตะวันเที่ยงตรงทิศตะวันแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมด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 การสร้างอุตลาธรรมะแก่อุตลาธรรมะพัยนตัวเองแก่หรองนี้สร้างห้องนี้มีเทศเสมอเนี่ยใครจะมามากตามมังทิเทศในจงมูลทุนงมากพรไปซ้ำขัดเรื่องนี้เอาใหญ่เลยเวลาหลวงตาบัวตายนั้นไปเขี้ยวคว้านองพระไม้ลาบากาบนทันนะมาอุตลาธรรมะอุตลาธรรมะหลงหลงตาบัวตายแล้วน้าเออตายแลตายทังหลวงตาบัวตัว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 ทิงไปนันความจริงแล้วไม่อยากไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งเลยกว่าจะได้ทำอะไรหนึ่งโโหพิธีเวาะเปลดทาการรอบด้านอนอกเมืองศาสนาเนจ ะ, นะยจัดงานพิธีทำต้องทำให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกนุสุตบุคุท้าฉลามได้ถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงานั่นหลักมิดิตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใ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 อะไรเป็นเหตุเป็นปจัจจก็หัวใจของคนเราอย่างพระอธิทฐานแสดงแก่ภาษาญี่ปุ่นยะมะเหตุตุภวานะ่ะทำรลายเกิดจากเหตุเหตุประโยคอะไรเป็นเหตุ่ะก็ใจเป็นมหาเหตุแน่มันเป็นปัจจัยก็เออออกไปอย่างนี้ต่อนเนื่องเป็นขัน้นแหงไปดูลําด่ำดับก็ไปจาับาจนี้อวิชาพยาสั้งคาราเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมุรโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องจะเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจเกี่ยวเนื่องออกไป